ทั้งนี้เพื่อจะให้ผู้ประพฤติธรรมคลายความเพียรเพื่อจะได้ยังอยู่ในอำนาจของมารต่อไปก็คือยังตกอยู่ใน อ, อำนาจของกามอำนาจของกิเลสนะก็มีเหตุการณ์นึงนะที่น่าสนใจในในสมัยพุทธ ก, กาลอันนี้ก็นับว่าแปลกดีเหมือนกันเป็นเรื่องของ ชายคนหนึ่งนะชื่อว่าสุรอัมพัตเป็นลูกเศรษฐีเดิมทีก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าหรือว่าศรัทธาในพระตนัไตรแต่ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ดีพระพุทธเจ้าคงจะเห็นแววนะของชายคนนี้วันหนึ่งก็เลยเสด็จบินธบาต แล้วก็ไปยืนรออยู่ที่หน้าบ้านอันนี้เป็นธรรมเนียมนะถ้าเมืองไทยนี่คนใส่บัตรจะมายืนรอพระนะแต่ว่าถ้าเป็นอินเดียนี่พระนี่จะมายืนรอโยมอสุรพันธ์นี่เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้ยินกิตติศัพท์อยู่บ้างนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าชายนะที่สละทรัพย์สมบัติออกบวช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 พระพืทธเจ้านี้กลับคํานะวิสัยของพระพุทธเจ้านี้ย่อมไม่กลับคําตัดคําไหนเป็นคํานั้นก็เลยสงสัยว่านี่จะเป็นพระเจ้าตัวจริงหรือเปล่านะแล้วก็สุรัมพายก็พอมีความรู้อยู่บ้างว่าเนี่ยปรปับชัาของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งก็คือมารก็เลยถามไปเลยนะว่าท่านคือมารใช่ไหมมารตกใจมากเลย ใ้พระเตยปิดกว่าเนี่ยเหมือนกับขวานผ่ากลางศรีรษะเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยสิ่งที่มารกลัวคือกลัวรู้ทันเพียงแค่บอกว่าเนี่นานมารผู้มีบาปเรารู้จักท่านอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะแค่นี้มารก็เสียใจนะพ่ายแพ้โดยดีไอ้มานี่ดีอย่างนนะไม่โกหกพอสุรรมพัดถามว่าท่านคือมารใช่ไหมนะมารก็ตอบว่าใช่แล้วนะ สุรัมพัทก็เลยพูดตำหนิมาร น, นะพูดตาหนิมารหลายอย่างเลยนะว่าเป็นผู้ที่มาทำให้นะเกิดความคขอยเขวแล้วก็ไล่มารไปมารก็ไปโดยดีนะเพราะว่ามีคนจับได้ไล่ทันละมา น, นี่ก็มีคุณธรรมเหมือนกันนะคือถ้าไล่แล้วก็ไปนะโดยเพราะถ้ารู้ทัน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 ก็คือไม่ได้เชื่อด้วยความ ง, งมงง่ายแม้คนที่อยู่ข้างหน้านี้นะมาในรูปพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ยอมเชื่อง่ายๆนะมีการตั้งคําถามมีการทักท้วงในใจว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่ไม่น่าจะกลับคํานะหรืออาจจะมีความทักทักท้วงในใจเพราะว่ามีความเข้าใจในธรรมละก็รู้ว่าขันธ์ทั้งห้านี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกไปอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า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 เหมือนกับที่เมื่อเห็นเมื่อสักครู่เลยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเห็นอย่างงี้เนี่ยก็จะเชื่อแล้วคล้อยตามว่าเออเมื่อพระเจ้าบอกว่าขันทั้งห้าที่เป็นที่เที่ยงก็มีสุขก็มีที่เป็นอัตต ก, ก็มีนั้นเราก็เชื่อแล้วกันถ้าเชื่อนี่ก็เสร็จแล้วนะก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำ น, นาจของมานได้แล้วเราลองถามตัวเองนะาเออถ้าเราเป็น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 เคยมีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นศาสตราจารย์แกสอนวิชาอัจฉรยะวิทยาที่อเมริกาห้องบรรยายแกก็มีนักศึกษานี่เป็นร้อยแล้วแกก็บรรยายเก่งนะขณะที่บรรยายเพลินๆอยู่ น, ะนักศึกษากํำลังเพลินๆอยู่จู่ๆก็มีผู้ชายหนึ่งวิ่งเข้ามาในในห้องบรรยายแล้วก็คว้ากระเป๋าของอาจารย์เนี่ยแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปนักศึกษาตกใจมากเลยนะเห็น เห็นคนมาขโมยกระเป๋าของอาจารย์นีดต่อหน้าต่อตาตกตะลึงกันใหญ่แต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยตั้งสติหนอนเสร็จ แ, แล้วก็ถามนักศึกษาว่าคนที่วิ่งมากระเป๋าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยช่วยบอกรูปพรรณสันธาร ท, าทีหน่อยนะว่าสูงเท่าไหร่นะใส่เสื้ออะไรกางเกงสีอะไรนะไม่ต้องถึงขั้รูปร่างหน้าตาแนละ้วเอาแค่รูปรพรรณสันธานแล้วเสื้อ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 มีคนมากะซิ บ, บอกว่าสีเขียวเอาก็เชื่อนะอันนี้ก็เรียกว่าอไม่ได้ใช้หลักการมาสู่เหมือนกันคือมีคนบอกว่าเขียวก็เขียวทางทั้งที่เมื่อเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นกับตาเลยว่ามันแดงนะแล้วคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อของคนเราเนี่แม้กระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดานี่ยังเชื่อไม่ได้นะแต่คนจำนวนไม่ น, น้อยนี่ก็ไปหลงติดยึดกับความเชื่อของตัวเถียงกันนะไอ้รถที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ย รถปิกอัพคนนึงก็บอกรถปิกอัพอีกคนหนึ่งก็บอกรถเก่งเถียงกันอยู่นั่นแหละแล้วแต่ละคนก็เชื่อในความจําของตัวบางทีก็ทะเลาะกันเลยนะเพอๆอาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเนี่ยความจํำของฉันนี่มันมันไม่คลาดเคลื่อนอันนี้หลาที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งสัญญามก็เป็นอนิจจ์นะสัญญาก็เป็นอนิจจงแล้วก็สังขารก็เป็นอนิจจง ในส่วนที่เป็นความจำนะซึ่งจัดอยู่ในฝ่ายสังขารมันก็ไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนได้นคนเรานี่ถ้าไปเชื่อความจำของตัวเองมากนี้ก็เสียพูดเสียคนได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดก็ได้มันอาจจะถูกคนเป่าหูให้เราเปลี่ยนใจหรือเราลืมไปเลยนะความทรงจำมันเปลี่ยนไป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 เขาก็มีการพิจารณานะก็พบว่ามันก็น่าสนใจนะที่เขาอธิบายก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยนะเขาก็มีความขัดแย้งในตัวเองมีฝ่ายขาวฝ่ายดําฝ่ายขาวนี่ก็จะเรียกว่าเป็นคนเป็นมีชื่อว่าเจ้าระเบียบก็ได้นะไอฝ่ายดํานี่ก็เป็นเพศว่าหยอะแหยะนะฝ่ายขาวเนี่ยคอยวิจารณ์ฝ่ายดําอยู่เสมอ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 มันเป็นภาพที่สะท้อนมาจากจิตใต้สํานึกส่วนลึกนะที่ต้องการกําจัดนะฝ่ายดําหรือฝ่ายที่หยาดแย่นะชาตบุตรพูดแบบผู้คือว่ามันมีความติดดีอยู่ในะความติดดีนะ่าต้องการปราบปรามจัดการกับเจ้าตัวร้ายแล้วคนเรานี่มันมีสิ่งนี้เรานี่อยู่ในตัวนะที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องกําจัดหรอกนะเพียงแค่รู้ทันแค่ดูไม่เฉยเฉยก็พอแล้ว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 ให้ความติดดีในใจเนี่ยมันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทําร้ายพ่อคนดีเขาไม่มีความคิดแบบนี้ไม่มีนิสัยแบบนี้ก็ไปกดข่มให้ความโกรธความเกลียดหรือกดข่มไอเหตุการณ์นั่นเอาไว้ไม่ยอมรับว่าเนี่ยเคยโกรธเคยเกลียดพ่อไม่ยอมรับความจริงว่าความโกรธความเกลียมันยังมีอยู่เพราะว่าคนดีนี่เขาไม่ทํากันอย่างนั้นก็ไปกดมันเอาไว้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 ถ้าไปมองว่าเราโกรธเราเกลียดเมื่อไหร่นี่ก็มันก็อยากจะกดข่มความรู้สึกนี่เอาไว้แต่ถ้ามีสติเฝ้าดูเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เห็นความโกรธความเกลียดที่มีต่อพ่ออยู่ในใจก็ดูมันไปเฉยเดี๋ยวมันก็หายไปเองก็เหมือนกับกรณีผู้หญิงเนี่ยเด็กคนเนี้ยะไม่ใช่เด็กแล้วเป็นหญิงสาวเนี่ยอย่แกก็มีมันก็มีตัวตัวร้ายหรือว่าฝ่ายดํา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 เกลียดคนคนหนึง่งและพอได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีของคนคนนั้นก็เชื่อเลยทั้งที่อาจจะเป็นความเท็จก็ได้นะอันนี้เรียกว่าไม่มีวิจารณญาณสอบตกเรื่องกลธรมสูตรในข้อที่ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะามันเข้าได้กับความคิดของตัวแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะไม่ยอมเชื่อ ง, งา่ายๆมันจะมีการทักท้วงว่าจริงหรือเปล่านะไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินเท่านั้น สิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่คิดขึ้นมาก็ไม่เชื่อง่ายๆเวลาเห็นใครถ้าทางมีพิรุธให้เขาติดตามเราไหมเขาโกรธเราหรือเปล่าคนบางคนนี่ก็จะเชื่อง่ายนะว่าเนี่ยคนเนี่ยเขากำลังตามเราเขากำลังมีพิรุธเขาประสงค์ร้ายกับเราพอมีความเชื่อแบบนี้แล้วนะเห็นเขาทําเห็นเขาพูดเห็นเขาเดินก็มันมีพิรุธเป็นหมด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 อันนี้ก็เรียกว่าไปเชื่อความคิดของตัวแล้ะความคิดของเรานี่ก็เชื่อไม่ได้นะต้องรู้จักทักท้วงความจำก็เหมือนกันนะไอ้ที่ว่าจำจาได้ดีจำได้แม่นเนี่ยก็ต้องทักท้วงนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อาจจะปรุงแต่งขึ้นมาสตินี่มันช่วยทาให้เราไม่เพียงแต่ทักท้วงไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะ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 เด็กก็สนใจโตอตอบก็ฉาดฉานท่านก็เลยก่อนที่ท่านจะกลับท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเออหนูน่ารักนะเดี๋ยวพระอาจารย์นี่จะให้รางวัลแล้วท่านก็หยิบสู้ประคำจากย่ามเด็กพอเห็นนี่ก็ลองอู้ฮูเลยนะหลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อประสงค์ก็เลยถามว่าที่ลองอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเหร อ, อตัวตอบว่าไง รู้เห็นข้างในมันดีใจค่ะรู้เห็นข้างในมันดีใจไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นรูปประคำนะเห็นข้างในมันดีใจถึงลองอู้ฮูหลวงพ่อมระสงค์ก็ถามต่อไปว่ารู้เห็นมันแล้วเนี่ยทํายังไงกับมันหรือเปล่าตัวตอบว่าเปล่าค่ะแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเบาลงละความดีใจมันเบาลงละนี่เด็กแปดขวบนะพวกเราทําได้แบบนี้ไหมเห็นความดีใจนะ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 ความดีใจก็ค่อยๆสงบลงแล้วเด็กก็เห็นได้นะว่าความดีใจมันเบาลงเด็กเห็นความความไม่เที่ยงของอารมณ์ดีใจว่ามเมื่อกี้นี่มันยังพองฟูอยู่เลยตอนนี้มันเบาลงแล้วถ้าเด็กเนี่ยนะเร า, าคิดว่าเขานะไม่มีความสามารถในการที่เจริญสตินะที่จริงเขาสามารถที่จะอเจริญสติได้ได้ได้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ก็ด้วยด้วยซ้ําเพราะว่า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 จนกระทั่งไอการรู้เฉยๆมันกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเอาละคำนี้ก็พูดเท่นี้กราบพระ